ด อ, อกดอกช่อนั้นแ่งบ้างงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมนม น, นำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาอ สัทธาบัง นั้นแ่งบางงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมนอนนำสู่การศึกษาสิจนิ้วก้มลงวันทา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 ข่าวสารที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้ต้องแสดงความยินดีกับปฏิบัติการพา13หมูป่ากลับบ้านนะครับซึ่งมีหลายหน่วยงานนะครับทั้งไทยและก็นานาชาติเข้าร่วมแรงร่วมใจในการานำตัวนักเตะทีมหมูปา่าอะคเดมีแม่สายทั้ง13ชีวิตที่ไปติดค้างอยู่ในถ้าหลวงขุนนา้านางนอนตาบล ปงผาอแม่สายเชียงรายก็นานถึง17วันแล้วครับนะก็มีหลากหลายนะครับนะเข้าไปช่วยทีมหน่วยซิลจากกองทัพเรือก็ดีแล้วก็ทหารจากสามเหล่าทัพไปช่วยตำรวจนะครับรวมทั้งข้าราชการนะครับนะในหลายๆส่วนที่สำคัญก็คือทีมกู้ภยัยจากไทยและจากต่างประเทศนะครับที่เข้าไปช่วยกัน รวมทั้งสื่อมวลชนนะครับที่ไปติดตามข่าวกัน อ, อย่างหนาแน่นทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งการอำนวยการนี่ต้องยกให้กับผู้ว่านรงศักดิ์โอสถธนากรซึ่งเป็น อ, อดีตผู้ว่าเชียงรายตอนนี้เป็นผู้ว่าพะเยานะครับก็เป็นผู้อหนวยการศูนย์นะครับ่อช่วยเหลือ17ชีวิตนี่แหละครับก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับซึ่ง ตอนนี้ทั้ง13ชีวิตนี่กอ็อยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลที่เชียงรายซึ่งจากการาเปิดเผยของนายแพทย์ธงชัยเลิศดวิไลรัตนพงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1ก็บอกนะที่เปิดเผยที่โรงพยาบาลเชียงรายนะครับเมื่อวันที่1 1กรกฎาคมก็บอกว่าสมาชิกทีมหมูปากอะคา เ, เดมี นะก็เข้ารับการรักษานะตั้งแต่วันที่ 8-10 กรกฎาคมครบ13คนนะครับก็ตอนนี้นี่ก็สุขภาพแข็งแรงนะครับก็ลุกนั่งทํากิจวัตรประจำวันรับประทานอาหารได้นะครับแล้วก็เริ่มทานอาหารที่มีพลังงานนะตามที่ร่างกายของผู้ป่วยได้รับได้นะครับ ก, ก็เป็นสั์ของทางแพทย์นะครับแล้วก็อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมนะครับนะซึ่งญาติก็ต้อง สวมชุดป้องกันตามมาตรฐานการควบคุมโรคละครับก็ก็ปลอดภัยทั้งทั้ง13ชีวิตนะครับแล้วก็เมื่อวันเย็นวันที่11กรกฎาคมนี้ก็นายนาะลงศักดิ์โอสถธนากรผู้อำนวยการศูนย์นะครับน่ะศูนย์ช่วยเหลือ13ชีวิตก็ได้ประกาศความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้ถแถลงมีการปิดภารกิจการการคู่ภัยครั้งนี้นะครับซึ่งก็ บอกว่าก็แสดงความขอบคุณจากทุกฝ่ายแล้วครับที่ทำให้งานสำเร็จรุ่วงด้วยดีนะครับแล้วก็ส่วนพื้นที่ถ้ำหลวงก็ต้องฟื้นฟูให้กับมีสภาพป่าสมบูรณ์แล้วก็ที่สำคัญก็ที่เป็นครั้งแรกในโลกที่การกู้ภัยผู้สูญหายในถ้ำที่มีน้ำเต็มนี่นะครับก็เป็นบทเรียนที่จะต้องไปให้หน่วยงานกู้ภัยทั่วโลกได้มีการนาเอาไปใช้ซึ่งทุกฝ่ายก็ ชช่นชมยินดีนะครับนั่นก็เป็นภารกิจนะที่สำเร็จกันกันลงไปแล้วนะครับนะก็ไร้ไฟแล้วครับนะโดยเฉพาะในส่วนของอทีมกู้ภัยจากอังกฤษเนี่ยครับนะเป็นคนแรกที่ไปพบน้องๆ น, น, นะทีมหมูป่าซึ่งก็ถือว่าก็ต้องให้ให้เครดิตในทีมกู้ภัยของของอังกฤษรวมทั้งของอออสเซเลียเนี่ยมีคุณหมอนะครับแนตะ่ซึ่งเป็น คุณหมอทางนักดำน้ำเนี่ยก็ไปช่วยเหลือรวมทั้งหน่วยซีนเราของเรานะครับแล้วก็มีหมอจากกองทัพ บ, บกนะครับเ ข, เขาก็ไปช่วยในภารกิจที่สําเร็จด้วยดีหลักจากหลายฝ่ายแล้วครับนะที่ไปช่วยกู้ภัยนี่จริงๆไปกันกันหลาย จ, จังหวัดนะครับทางทางภาคอีสานนี่ไปกันหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นโคราชบุรีรัมนีก็ไปแต่ว่าอาจจะไม่เป็นข่าวเป็นข่าวมากนักเพราะมีมีจากหลายจังหวัดเขา้เขาไปช่วยกัน นะครับก็มีจากทางใต้นะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการสรรหากกตในช่วงนี้นะครับนะที่น่าสนใจทางสนชนกำลังเฟ้นหานะกกตกันใหม่นะครับนะซึ่งจากการเปิดเผยของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็บอกว่าตอนนี้ สอส อ, ส อ, ชอรชจะประชุมวันที่12บสองกรกฎาคมก็จะมีวาระให้ความเห็นชอบจากการเสนอผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกกตเจคนซึ่งก็จะเป็นการประชุมรับนะครมีการตรวจสอบประวัติเชิงลึกของคณะกรรมาการสามัญที่ตรวจสอบประวัติ เ, เกี่ยวกับเรื่องผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรกตนี่แหละครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ต้องดูแล้วครับว่าผลการประชุมจะออกมาอย่างไรแต่ว่า อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยลองประธานสนชก็บอกว่าก็คงไม่มีการล้มกระดานแล้วครับก็คงจะต้องมีการเลือกกกตอ่ากันมาทําหน้าที่นะครับเพราะว่าจะเหลือเวลาประมาณ667เดเดือนเขาจะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับนีก็เป็นข่าวดีแล้วครับก็คงจะต้องติดตามดูอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมีหลายฝ่ายติงบอกว่ากรกตบางคนอาจจะไม่ผ่านนะครับนีมีประวัติที่กํากึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นนี่แต่อย่างไรก็แล้วแต่นายวิษณุเครืองามรอง น, นายกศตีก็บอกว่าถ้าการเสนอชื่อกกตเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยไม่ครบ7ก็ยังทํางานได้เหมือนกันนายวิษณุเครืองามกล่าวว่าอย่างนั้นนะครับก็ยังทําหน้าที่ต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนีรุงจะต้องอติดตามดูการประชุมนะครับเพื่อที่จะเลือกในส่วนของอ กกตนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรกันกันบ้างนะครับในส่วนของนายกงตรีเนี่ยนะครับนะหลังจากมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องนะความช่วยเหลือของนะทีมหมูป่า a ค a d e มีนะครับแล้วนะครับกายกงตรีในในช่วงตอนช่วงบ่ายของวันที่11เนี่ยมีการนะพบปะกับทูตเอ ก, กรชนทูตของบราซิล น, นะครับประจำประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนกะนะ็ยัง แสดงความขอบคุณกับประเทศบราซิลที่จะรับซื้อยางพา ร, ราจากไทยนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็บราซิล น, นี่ต่อไปก็น่าจะเป็นตลาดตลาดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีโรงงานผลิตยางรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าสามารถที่จะส่งไประบายออกแถวละตินอเมริกาแถวแอฟริกาแถวตวนออกกลางก็จะทำให้ราคายางเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นผลดีกับ กับพี่น้องสวนอย่างทั้งหลายนะครับคือรัฐบาลคงจะต้องทําหน้าที่ในเรื่องของการค้าการขายได้ให้มากขึ้นแหะครับนะไปไ ป, ไปบุกตลาดแถวตะวันออกกลางนะครับแถวลาตินอเมริกาตลาดใหม่ๆทั้งตลาดไปจําหน่ายข้าวจําหน่ายย่างนะครับหรือพืชผลทางการเกษตรอื่นๆนะครับเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะ ฝืดเครืองกันหนักแล้วครับเราจะเห็นชาวบ้านเน่อนข้างที่จะโอดครวนก็คงจะต้องหามาตรการแก้ไขกันอย่างเร่งด่วนมารับฟังเพลงสักเพลงครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อไปครับ ยืนรอเธอทุกคืนทั้งที่รู้ว่าเธอคงไม่มาออกมายืนตามคำสัญญาที่ให้กันแม้เธอจะเปลี่ยนใจฝากฟ้านำพาไปบอก บอกกับเธอนั้นให้เข้าใจหนึ่งคำสัญญาที่ให้กันไว้ฉันไม่ลืมหนึ่งคำสัญญาที่เธอให้ไว้ําได้ไหมที่ว่าเราจะรักและท น, นอมเอาใจใส่จะดีจะรายไม่ทิ้งกัน ฉันแค่มองฟ้าน้ำตามันก็ไหลฝากฟ้ า, ฟานำพาไปบอกบอกกับเธอนั้นให้เข้าใจหนึ่งคำสัญญาที่ให้กันไว้ฉันไม่ลืมหนึ่ง คำสัญญาที่เธอให้ไว้จำได้ไหมที่ว่าเราจะรักและถนอมเอาใจใส่จะดีจะร้ายไม่ทิ้งกันหนึ่งคำสัญญาที่ให้กันไว้ฉันไม่ลืหนึ่งคำสัญญาที่เธอให้ไว้จำได้ไหม ว่าเราจะรักและทถนอมเอาใจใส่จะมีจะร้ายไม่ทิ้งกันเวลาไม่เคยร้ายแต่ใจคนสิร้ายลืมหมดความหมายที่ฉันทำ มาพูดมาคุยกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันกันบ้างนะครับนะ<ม>เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ในส่วนของตอนนี้กระทรวงการกคลังเนี่ยนะครับนะก็บอกว่าจะมีมาตรการที่จะคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือบัตรคนจนนะครับเนะี่ยซึ่งก็ยังเป็นเป็นที่ทราบกันดีแล้วครับว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยครับรับลงทะเบียน แล้วก็ให้มีแจกบัตรคนจนให้กับผู้ถือบัตรคนจนประมาณประมาณเกือบ10บสล้านคนนะครับนะประมาณสิบล้านคนนะซึ่งบอกว่าเป็นคนจนของของประเทศคือไรายได้เนี่ยต่ำกว่า 10,000 แบาทต่อปีนะครับก็แล้วก็มีการแจกบัตรนะครับนะรัฐบาลจะโอนให้นะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายในบัตรเนี่ยนำมาแลกซื้อสินค้าตามร้าน ทงฟ้านะครับร้านที่มีเข้าโครงการที่จะรับบัตรคนจนนี่แหละครับนะกระจายกันอยู่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านตอนนี้ก็บอกว่ากระจายกันไปหลายหมื่นแห่งทั่วประเทศ mm. ก็คนจนนี่ก็เอาบัตรนี่มาซื้อสินค้านะครับน ะ, ะทั้งข้าวสารอาหารแห้งละต่างๆเนี่ยไปไปบริโภคเพราะฉะนั้นนี่ก็ตรงนี้นี่ก็บอกว่าต้องเสียภาษีด้วยก็รัฐก็จะคืนภาษี มูลค่าเพิ่มให้ก็ก็จะเป็นสิ่งที่ดนะก็ได้กันคนละสอ0สบาทแล้วแต่กรณีนะครับนะก็ถือว่าเป็นการาบันเทาล้วครับนะเพราะว่ า, าชาวบ้านก็ค่อนข้างที่จะจะเดือดร้อนนะครับก็จะได้อาศัยเท่าที่คุยชาวบ้านก็ได้อาศัยเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนนี่ละครับนะมาเป็นเข่าสารบ้างอะไรต่างๆไว้กักตุนไว้ก่อนเพื่อเพื่อฐานกันนะครับแต่แต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็คงจะต้องหามาตรการที่จะ ดูแลร้านค้าชุมชนร้านค้าของชาวบ้านนะตามหมู่บ้านที่ที่ไม่สามารถที่จะเข้าโครงการบัตรคนจนได้เนื่องจากว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ไม่สามารถที่จะต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้างเพระชาวบ้านร้านค้าเล็กๆก็กก จ, จะไม่มีกำลังนะก็ทำให้ร้านค้าเหล่านี้ก็ขายไม่ได้นะครับนะยอดขายก็จะตกลงนะครับนะซึ่งก็เท่าที่ดูแล้วก็มีหลากหลายเหมือนกันนะครับนะยอดขายลงนะ ชาวบ้านนี่ก็จะเอาเอาบัตรเนี่ยไปแลกกับร้านค้าที่ร้านค้าที่ขนาดใหญ่นะครับที่มีที่รับบัตรนะบัตรสวัสดิการเหล่านีนะ้คงจะต้องหามาตรการที่จะไปไปแก้ไขเพื่อที่จะให้ร้านค้าชุมชนเหล่านี้เนะี่ยที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้านนี่อยู่ได้ด้วยนะครับนะอยู่ได้ด้วยเพราะเศรษฐกิจนี่ก็ต้องมาจากฐานลากก็ต้องคงจะต้องหมุนเวียนกัน ให้เกิดการซื้อการขายกัน ใ, นในในทุกระดับเลยทีเดียวนะครับว่าว่าว่าจะทำอย่างไรนะครับพ อ, อตรงนี้นี่ก็มีโครงการเนี่ยลงไปกันมากแล้วครับลงไปในในพื้นที่แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อย่างที่ที่ทบอกแล้วครับว่าประเด็นหนึ่งคือการส่งเสริมให้ชาวบ้านทําการเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับตามทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่เพราะว่าการ ที่จะปลูกพืชผลอะไรต่างๆนะครับไว้ทานเองเนี่ยเป็นเป็นเป็นปัจจัยแรกเลยนะครับไม่ว่าจะมีการในพื้นที่ 4-5 ไร่มีการทำนามีการทำสวนครัวพืชผักสวนครัวก็ดีนะครับนะหรือปลูกพืชผักผ ล, ลไม้ไว้ทานเองเนี่ยนะครับก็ถ้าชาวบ้านนะครับได้เก็บเกี่ยวตรงนั้นมานะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันมาทานมาบริโภคเองเนี่ยก็จะเป็นการประหยัด ในส่วนของรายจ่ายลดลงที่เหลือก็อาจจะไปขายนะครับนะไปขายไปแลกเปลี่ยนกันในในชุมชนนะครับเมื่อเศรษฐกิจในระดับฐานลากได้อยู่ได้เนี่ยก็จะฟื้นตัวนะครับฟื้นตัวขึ้นมาเองก็อาจจะต้องมีการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่รวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของอการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งน้ำนะครับนะ เพราะว่าถ้าขาดแทนน้านี่ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ยากและปีนี้ในฝนทิ้งช่วงในหลายๆส่วนนะครับก็จะทําให้ชาวนาเนี่ค่อนข้างเดือดร้อนนะโดยเฉพาะเหนือภาคอีสานนะอาจจะต้องมีมาตรการที่จะบริหารจัดการน้ําให้ให้พอยทาการเกษตรนะทำการเกษตรอยู่ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีรวมทั้งจะต้องมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการพยุงราคาผลิตผลทางการเกษตรนะให้มีราคา ที่สูงขึ้นนะไรายได้ก็จะสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นนะราคาข้าวราคายางพารานะครับปาล์มก็ดีนะครั บ, นะ ร, บรวมทั้งอ้อยหรือหลายๆส่วนเป็นพืชหลักนะที่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกซึ่งตอนนี้นี่ที่มีปัญหามากก็คงจะเป็นสับประรดนะครับเพราะสับปะรดค่อนข้างที่จะราคาถูกอย่างมากกิโลละบาทสองบาทนะครับซึ่งชาวไร่ชาวสวนที่ปลูกก็เดือดร้อนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นนี้ตรงนี้คงจะต้อง เบ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของของสปปรรพรสละครับก็เห็นมีหลายๆหน่วยงานนะครับมาซื้อผลิตผลเหล่านี้เอามาแจกนะก็ก็เป็นการแก้ปัญหากันได้ทางหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แก้ปัญหาระยะยาวนะครับคงจะต้องไปไปดูในมาตรการตรงนั้นว่าจะส่งเสริมกันได้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับไทยเราตอนนี้นจากการที่เราได้รับการขยับขึ้นมาเทียรสองจากการประกาศของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงงานในเรือประมงจะดีขึ้นนะครับทำให้สินค้าประมงของเราส่งไปยังยุโรปสหรัฐเนี่ยส่งได้มากขึ้นคือเขาไม่ได้ตั้งกํแงาแพงภาษีไว้นะครับจะทําให้ฟื้นตัวทางด้านธุรกิจการส่งออกในด้านนี้อาจจะ อาจจะเริ่มดีขึ้นก็ได้นะเป็นสัญญาณที่ที่ดีเพราะผลิตผลต่างๆที่ที่มีปัญหากันอยู่ในส่วนหนึ่งก็ จ, จะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกําแพงภาษีแหะครับนะซึ่งตอนนี้นี่ก็เริ่มมีสงครามการค้ากันระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับนะก็จะกระทบต่อ บ, บ้านเราเพราะฉะนั้นนี่คงจะต้องมีการตั้งรับกันให้ให้ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้น เพราะควนบุหรีเรามาร่วมมือกันเลิกละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดคุลธา น, านันต้องขอลาท่านเฟิ์มไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ความจำเป็นไปให้ได้ดีเด่นเพื่อสุขสบายให้คนในบ้านจากที่เดิมหากไหลได้มาทำายานบ้านที่ต้องจากไปคืนที่คำเดือนง่ายยามนี้สุดเงา คงเลื่อนลอยกับลมรำเพยพัดพาฝากคำหัวใจจะวาออกมาจากใจส่งเสียงให้ฟังปอยหัวใจให้คอยอย่าเลื่อนลอยไปเป็นอื่นจำทอยคำอย่าลืม รอฉันคืนบ้านน้ำ ความหมยแห่งฉันแรงนี้ทนป่าปันได้เธอผู้เป็นแรงใจสร้างเป็นครอบครัวใหญ่อบอุ่นนักหนา รวมกันทนถิดนาเธาผู้ห่างไกลนอนพบกันในฝันเพื่อเป็นกำลังหัวใจคืนนี้จนวันใหม่ไม่ไกลกันเลย